ขึ้นกี่ค่าวันนี้วันนี้ขึ้นสิบสามค่ำนนี้สิบสี่ค่ำนี้วักรอใช่หมนี้ขึ้นสิบสี่ค่ำักใช่หมสี่ค่ำสิบห้าค่ำสิบห้าค่าแล้วยังอีกเดือนหนึ่งเขงาพษา ปีนี้แปดสองหนปีนี้แปดสองหนเราไปเข้ากลางเดือนแปดแปดหลังแปดสองแปดปีนี้อธิกรมาแปดสองแปดแปดสองหนแปดสองหนนี้นับทางจันทรคตินะ นับจากทางจันพระกติเดือน8ปดสองนดือนแปดสองนแต่เดือนทางสุรยิยกตินี่ยังมีเท่าเดิมแปดด เ, เดียวดเดียวเดีเด๋ยวนี้เขาชอบเขียน 1, 2, นะอย่างเดือนมกราคมพามีนาเขาชอบเขียนหนึ่งสองสามนะ เช่นเขาเขียนวันที่แล้วก็ขีดเดือนมกราเขาเขียนหนึ่งขีดแล้วก็ห้าสามก็ปีห้าสามงที่เราดูงงงดูแล้วงงที่เขียนหนึ่งเขียนสองแต่ถ้าเป็นเดือนไทยของเราเนี่ยเดือนไทยของเราเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปด ปีไหนที่เมียที่กมาร์กคือแปดสองแปดแปดสองหนแปดสองหนอันนี้มันเป็นการคำนวณทางจันทรคติคือกติของดวงจันทร์ทางสุริยคติเขาคำนวณทางดวงอาทิตย์อันนั้นเป็นสากลของโลกประเทศไหนประเทศไหนเขาคำนวณเหมือนกันหมดโมกกากุมพามีนาเมษาเนี่ยประเทศไหนเหมือนกันหมดม แต่ น, นี่มีเฉพาะเมืองพุทธเรานั้นแหละที่เดือนอ้เดือนยี่เดือนสาเดือนสี่เดือนเจ็ดเดือนแปดแปดหนึ่งแปดสองอันนี้มีเฉพาะเมืองพุทธเราเพราะการคํานวณเพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะตอบรับกับการสวดพระปฏิโมกทุ ก, กึ่งเดือนนี่มันเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเกี่ยวกับข้องกับพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดปฏิโมกขุกกึ่งเดือนหรือคำนวณยังไงถึงจะใกล้เคียงที่สุดทางจันทคติเนี่ยใกล้เคียงที่สุดทุกกึ่งเดือนใกล้เคียงที่สุดโดยยฉพาในประเทศไทยเราก็สมเด็จพระจอมเกล้าท่านมามีวิธีอีกพิธีหนึ่งเรียกว่าท่านคำวนวณแบบปั ปักขคณนาปักขาคณนาปักคำวาปักก็คือเครึ่องเดือนเครื่องเดือนนับตามเดือนเดือนไทยเนี่ยเดือนไอเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่แต่ปีนี้มันเป็นปีีอาทิตย์กมาตก็เลยเป็นแปดสองแปดแปดสองคนปีใดที่มีอธิตยกามาปีนั้นเราก็มาตกลงกันว่าให้เข้าเดือนแปดหลังมันเพนเดือนแปดหลัง วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังเวียนเทียนก็ขยับมากลางเดือนเจ็ดปกติกลางเดือนหกแต่ปีใดที่มีอธิกรมาสมากลางเดือนเจ็ดการเข้าพรรษาสารหาบูชาก็เหมือนกันก็ไปเป็นวันเพ็ญเดือนแปดแปดหลังเข้าพรรษาก็ เรมันหนึ่งข้ามเดือนแเดือนแปดหลังนี่คือคือวันเวลาที่สมมุติกําหนดหมายเพื่อที่จะนับวัน อ, อุโบสถให้ใกล้เคียงที่สุดทตางสุริยะกติตามจันทกติคือการหมุนของดวงอาทิตย์การขึ้นการลงของดวงอาทิตย์การขึ้นการลงของดวงจันทร์ ต่างจันทคติที่ท่านมาคํานวณเป็นปัคะกันนาเ น, น, นี่ยแหละ น, นี่คือวันเวลามันเกี่ยวข้องนะมันเกี่ยวข้องไปถึงวิทยาวิชาโหรวิชาโหราศาสตร์วิชาโหราศาส ต, ตร์เราก็ไล่ตามตามวันตามเดือนตามปีนี่แหละวิชาโหราศาสตร์พระพุทเจ้าท่าน มันมีเคยมีพระอยู่ป่านะมันมีพระอยู่ป่าทีนี้ไอ้พวกเขาชอบดูดวงเดงือนดวงดาวอะไรนี่เขาไปถามพระถามพระพระกรรมฐานอยู่ตามป่านั่นแหละไปถามพระไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้เขาก็เลยทุบเลยตีพระเลยทีนี้ในพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบท่านทรงทราบว่าเขาทุบตีพระด้วยเหตุ น, นี้ด้วยเหตุที่พระท่านไม่รู้วันเวลาเกี่ยวกับโหราศาสตเนี่ย เพราะฉะนั้นพระองค์เลยทรงอนุญาตให้เรารู้วิชาโหนโหนโหระชาเนี่ยพุทธเจ้าท่านให้รู้โหระศาสตร์ไว้เพื่อเขาจะไม่ได้ทุบไม่ได้ตีอันนี้นะทัาเท่าที่เราเคยฟังฟังมาดูเหมือนพุทธเจ้าท่านอนุโลมให้เรารู้เอาไว้แต่มันไม่ใช่หลักการที่จะมาภาวนาดอกให้เรารู้เอาไว้ ก็เคยมีมาแล้วนี่ไปถามพระพระที่อยู่ในป่าเนี่ยพระไม่รู้เรื่องเขาทุบเขาตีพระเน่ยไอ้พวกโจรพวกขโมยพวกอะไรมันเพื่อที่จะดูเรื่องงามยามดีไปต้นไปขโมยไปอะไรมั้งไอ้พวกใจร้ายกาดถามพระพระมันรู้เรื่องด้วยทุบตีพระเลพระองค์ทรงทราบก็เลยอนุโลมให้พระศึกษาเพื่อรู้เอาไว้แต่แท้จริงท่านไม่ให้ศึกษาเพื่อเอาไว้เป็นไปเป็นอาชีพนะเดี๋ยวนี้กลายเป็น ยึดเรียนโหราศาสตร์องนั้นดังแม่นองค์นี้แม่นองค์นั้นดังเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยังไงยังไงเดี๋ยวมีพระวัดป่าเราไม่ค่ยมีมีพระวัดบ้านก็ถือกันแทะถือขลังแั้แทะกลายเป็นแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งถ้าใครไม่รู้ก็ไม่มีโยมไปไปใกล้แหละแต่ถ้าใครใครรู้จากวิชาโหงโอ้ยหัวกระไดไม่แห้น ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวันไหนฤกษ์งามวันไหนยามดีดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์ดาวฤกษ์กาลกินีอะไรต้องรู้บอกเผาพวกนั้นพวกชอบเชื่อหมอดูแต่วิชวิชาโหราศาสตร์กับวิชาหมอดูนี่มันคนละอันกันนะแต่มันคล้ายคลึงกันเท่านั้นแหละดูแล้วก็ทายทักไปไปตามวันเวลานาที เดืนปีโมนี่โหราศาสตร์ดูดวงเรือนดูดวงดาวดาวนั้นทํามุมกับดาวนั้นดาวนั้นทํามุมกับดาวนั้นเขารู้เรื่องเขาเรียนนะแต่พวกดูหมอเนี่ยก็ดูดูเดาไปไปตามเรื่องบางทีก็ถูกถูกย้ายเป็นส่วนมากถูกใจใครแล้วกับคนหลังไหลเข้าไปดูละปกติคนเรานี่ไม่ยอมรู้จักตัวเองนะ แต่ถ้าเผคนอื่นรู้จักตัวเองดีเท่าไหร่เนี่ยโอ๊ยเชื่อเริ่มใ ส, ส่ศ ร, าารัทธาเขารบนับถือแท้ๆตัวเองถ้าแท้ไม่ยอมรู้จักตัวเองนะแปลกนะเรามาคิดดูข้อนี้เป็นเรื่องแปลกนะเรามีตาไม่ยอมเชื่อตาของตัวเองมีหูไม่ยอมเชื่อหูของตัวเองจมูกลิ้นกายใจไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเชื่อใจของตัวเองใจของตัวเองโคจรไปเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรบ้างอ่า ไม่ว่าจะเป็นวันดีคืนดีนาทีโมองอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อใจองตัวเองนะไปให้คนอื่น <c oughs> เขาเป็นคนรู้ให้ <c oughs> เป็นคนเชื่อให้ <c oughs> เป็นคนทายให้เป็นคนบอกให้แต่เพื่อเขาทายถูกทายร้อยครั้งถูกครั้งเดียวโอ้ยดีอกดีใจโอทายแม่นทายแม่นทายแม่นไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้แหละบางทีเจ้าของดึงไปคิดไปใส่ตัวเองโอ้ยถูกดีเหลือเกินแม่นเหลือเกินชอบอกชอบใจเหลือเกิน มาทายร้อยคนเนี่ยถูกสักห้าคนโอ้โหดีเหลือเกินสลับคนห้าคนนั่นแหละนอกนั้นก็าขโมยด่าตามหลังเป็นอย่างนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมารู้มาเข้าใจเรื่องตัวของตัวเองเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาธรรมเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าเราศึกษาธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเราอื่นมันตกไปหมดมันร่วงไปหมด มันตกไปหมดมันร่วงไปหมดรวมไปถึงโลกธรรมโลกธรรมมันร่วงไปหมดแหละมีสุขมีทุกข์นินทาสารเส ร, ริญสุขทุกข์มีลาบมีลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทานหนึ่งสารเส ร, ริหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งแปดอย่างนี่ท้าเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรม ทำไมท่านจึงว่าโล ก, กธรรมก็เพราะว่าธรรมะต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปตามกติโลกคนเรามีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีสุขมีทุกข์มีทุ ก, ทกข์มีสุขประสับปนกันไปอยู่อย่างนี้หลยรู้ที่เจ้าท่านจึงให้ศึกษาไว้ระดับเป็นเป็นข้อคิดเป็นข้อพิจารณาเป็นข้อตกลงปลงใจเวลาเรามีความสุข เต็มแพร่อาจจะอาจจะมีลาบได้สิ่งนู้นได้สิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นเหตุถูกใจอย่างนั้นเป็นเหตุถูกใจอย่างนี้ได้หมูได้เพื่อนได้พวกได้พร้อมเป็นที่เพลิดเพลินชื่นอกชื่นใจอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีความสุขใจได้การได้งานได้ยศได้เกียรติได้ตําแหน่งได้ลาบเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเราก็ยินดีเราก็พอยใจ แต่ถ้าเราศึกษาเรื่งรองโล ก, กธรรมเราจะทราบว่าพระพุเจ้าท่านส่งให้ให้พิจารณาเออตอนนี้เรามีความสุขนะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปบางช่วงบางการบางคราวมันก็มีความทุกข์เพราะความทุกข์กับความสุขนั้นมันเป็นไปด้วยกันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ความสุขกับความทุกข์มันเป็นไปด้วยกันเนื่องจากว่าเราทําดีบ้างเราทําไม่ดีบ้าง ผลของความดีนั่นแหละให้เรามีความสุขผลของความไม่ดีนั่นแหะทําให้เราได้ความทุกข์รวมรวมลงไปแล้วว่าความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามมันไม่เที่ยงมันกลับมันกลับกลอกกลับไ ป, ก ล, บไปกลับมากลับมากลับไปยินทาอย่างเดียวก็ไม่มีสารเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีพญ ะ, ะนี้เวลานี้เขากําลังสารเสริญเยินยอเราเราก็ดคลืม่มปีติยินดีดีอกดีใจ แต่ก็ลืมคิดถึงนินทาแนะ่เมื่อมีสารเสริญแล้วก็ต้องมีนินทาตามมาวันนี้เวลานี้เดือนนี้มีคนสารเสริญเราเต็มแพรวันหน้าเดือนหน้าเวลาข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็นินทาหรือไม่นายก็ยกย่องชมเชยสารเสพิดเราแต่ในขณะเดียวกันนายขอนินทาเราในขณะเดียวกันนั่นแหละพะพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้พิจรารณาเวลาเราประสบ ความสุขก็อย่าลืมความทุกข์เออเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์เพื่อเราจะได้กะเกณฑ์ล่วงหน้าเอาไว้เราจะไม่ได้เสียใจตามหลังมีคนสรรเสริญตอนนี้เอยอาจจะไม่กี่คนสรรเสริญเราคนนอกนั้นอาจจะมีไม่น้อยคนทีเดียวที่นินทาเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มีได้ได้ลาบมาก็ต้องมีเสื่อมลาบได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเวลาได้ลาบมาก็ดีอกดีใจลืมนึกถึงว่าเวลามันเสื่อมลาบเวลามันเสื่อมลาบคือเวลามันไม่ได้ไม่ได้อย่างใจก็ได้มาเสื่อมลาบเวลาได้ลาบมาเออคราวนี้เราได้เดี๋ยวคราวต่อไปเราก็จะต้องเสื่อมเวลาได้ยศมาเออตอนนี้เราได้แล้วก็ต่อไปเราก็จะต้องเสื่อมเสื่อมยศ ได้ลาบเสื่อมยับลาบได้ยศเสือ่อนเสื่อมยศได้สุขได้ทุกได้นินทาได้สารเสื่นพอเวลาเราได้ความสุขมาเราก็ดีใจเวลาเราได้ลาบมาเราก็ดีใจเวลาคนสารเสริญมาเราก็ดีใจเวลาได้ยศมาเราก็ดีใจแต่ในขณะเดียวกันเราอย่าลืมอย่าลืมความทุกข์จะพึงตามมา อย่าลืมความนินทาอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวตามมาความเสื่อมราบเดี๋ยวก็ตามมาความเสื่อมยศเดี๋ยวก็ตามมาเราศึกษาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยโลกธรรทในใจของเรามันก็ร่วงไปคําว่าร่วงไปก็คือเรามีเรามีธรรมะสำหรับปลงพระเจ้าท่านทรงตรัสว่าโลกธระทโลกธรรมคําว่าโลกธระทก็คือตกอยู่ภายในกภายใต้การสมมุติคือตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปตั้งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปความสุข ตั้งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปความทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีสุขอยู่คงอยู่กับที่ไม่มีทุกข์คงอยู่กับที่ไม่มีนิทาคงอยู่กับที่เดี๋ยวก็ต้องมีเสรเสริญไม่มีเสรเสริญคงอยู่กับที่เดี๋ยวก็มีนิทาได้ลาบก็เช่นเดียวกันได้มาแล้วก็เสื่อมไประยะยศก็เช่นเดียวกันได้มาแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปแล้วเดี๋ยวก็ได้มาเสื่อมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้มา มันก็มีสับปน่นกันอยู่อย่างนี้นี่ทั้งเรื่องวัฏฏะธรรมเมื่อเราเข้าใจเรื่องโลกฏธรรมแล้วเรื่องที่เรียกที่เราพูดถึงสุรยิยคติเรื่องจันทคติต่างๆเหล่านี้ก็ตามเมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วเกี่ยวกับเรื่องหมอดูเออเอเกี่ยวกับเรื่องโหนเอยอะไรเออเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะร่วงไปหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีเหตุผลไม่พอ มันมีเหตุผลไม่ชัดเจนมันมีเหตุผลไม่พอในเมื่อเหตุผลไม่ชัดเจนในเมื่อเหตุผลไม่พอสิ่งที่ตามมาก็คือคาดคาดเดาเดานี่เราอย่าลืมสิ่งที่ตามหลังมาก็คือคาดคาดเดาเดาเพราะฉะนั้นร้อยทั้งร้อยคนอาไปดูหมอนะเขาต้องทายให้เราดีใจเอาไว้เพราะถ้าเขาทายให้เราเสียใจนี่เขาก็ทุกหมอข้าของเขาเองนี่มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้เราเข้าใจความไม่คงที่อยู่อย่างนี้เราก็ปลองได้เราก็ปลงไ ด, งได้สิ่งที่เราควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุด้วยผลที่สุดก็คือเราเชื่อด้วยหูด้วยหูของเราด้วยตาของเราคือเชื่อใจของเรางั้นเถอะเชื่อการตัดสินใจด้วยด้วยใจของเราเพราะใจของเราจะเป็นผู้ประจักษ์เหตุประจักษ์ผลในตัว ทําไมถึงว่าเราศึกษาธรรมเราปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะร่วงไปหมดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีเหตุผลไม่ชัดเจนดังกล่าวแล้วมีข้อมูลไม่ชัดเจนมีเหตุผลไม่ชัดเจนเวลาทำก็คาดคาดเดาๆทำแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นมีเหตุผลชัดเจนเราย้อนมาดูที่ใจของเราเนี่ยเราจะทราบเหตุผลชัดเจน ทราบเหตุผลชัดเจนยังไงเราตั้งใจภาวนาให้จิตสงบบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธเหมือนอย่างที่เราภาวนามาเมื่อกี้นี่แหละอือภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเวลามันอยู่เราเองเป็ น, ปนคนรู้ว่าอยู่จิตมันอยู่กับพุทโธเวลามันไม่อยู่มันเผลอไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนมันใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้นี่เห็นไหมเหตุผลชัดเจนไหม ไม่ใช่เราเป็นคนภาวนา K, พุทโธพุถูธแล้วถามคนอื่นเอ๊ะจิตเราสงบแล้วยังจิตเราสงบแล้วยังเราไปถามเขาได้ยังไงถ้าเราจะเทียบไม่ต่างอาหารของใจก็ไม่ต่างกับอาหารของกายเขาบอกว่าอาหารนั่งอาหารอยู่เต็มปาก ส, รสการะปรับข้าวเต็มเต็มเต็มเต็มหน้าเราเนี่ยอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยอันนั้นเขาบอกว่าอันนั้นเผ็ด อ, นะ manus. อันหวานอันนั้นมันอันนั้นเปรี้ยวอันนั้นอร่อยอย่างนั้นอันนั้นอร่อยอย่างนี้ ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ได้หยิบข้าวปากเราก็ไม่รู้เพียงแต่เขาบอกว่าอันนั้นเปรี้ยวอันนั้นหวานอันนั้นมันอันนั้นเผ็ดอันนั้นอะไรอันนั้นอย่างนั้นอันนั้นอร่อยอย่างนั้นต่อเมื่อเราหยิบใส่ปากเราสัมผัสกับลิ้นเรารู้ได้ทันทีโออันนี้รสส้มโออันนี้รสเปรี้ยวโออันนี้รสหวานใส่เข้าไปรู้ทันทีต้องมีใครบอกไหมไม่ต้องมีใครบอกนี่แหละคือเหตุผลที่ชัดที่สุดในใจของเรา รู้ใจเจ้าท่านจึงทรงจรึงทรงให้เชื่อใจของเราอย่างในกาลามาสูตรท่านบอกว่าอย่าเชื่อว่าคนนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อว่าคนนั้นพูดตามๆกันอย่าอย่าเชื่อว่าคนนั้นเป็นงั้นคนนี้เป็นงี้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านไม่ท่านไม่สอนให้เชื่อท่านท่านสอนให้เอาไปพิจารณาไปใคร่ครวญและลองปฏิบัติดูอ่า โดยที่ท่านไม่สอนให้เชื่อว่าเออหานั้นมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนั้นอย่างนั้นท่านสอนว่าให้หยิบเข้าปากแล้วเราจะทราบเองเอเอนนอันนั้นเปรี้ยวอันนั้นหวานอันนั้นหวานอันนั้นเค็มนี่นี่นี่คือคือหลักที่เยี่ยมที่สุดท่านไม่ได้สอนให้เชื่อดะไปเหมือนอย่างศาสนาอื่นศา ส, สนาอื่นเราไปถามถามหาเหตุผลไม่ได้ถามหาเหตุผลเนี่ยพระเจ้าเอาโทษแหละถามหาเหตุผลพระเจ้าทําโทษถามว่า ใคร่สร้างพระเจ้าเราไปถามดูถามไม่ได้หรอกนะเขบอกว่าโลกนี้ก็บอกว่าโลกนี้แบนโลกนี้แบนเราไปบอกว่าโลกกลมตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาพิสูจน์ไปแล้วเนี่ยโดนจับไปเผาทั้งเป็ี่นมารู้เท่าไรต่อเท่าไรสอนให้เชื่ออย่างเดียวบอกผิดบอกถูกยังไงก็ตามคุณมีหน้าที่เชื่ออย่างเดียวไม่มีหน้าที่ที่จะมาวิจารณ์วิจัยแต่ละคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสัจธรรม สัจธรรมนี้จะปรากฏชัดที่ใครจะปรากฏชัดที่ตัวเราเองสัจธรรมจะปรากฏชัดเจน่ด้ต่อเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติธรรมการตั้งใจปฏิบัติธรรมก็คือการตั้งใจมีสติให้มั่นคงให้แข็งแรงมีสัมปชัญญะให้มั่นคงให้แข็งแรงเพราะตัวสติตัวสัมปชัญญะนี่แหละจะเป็นตัวที่เป็นพลังงานที่จะคอยควบคุมจิตใจของเรา ให้เป็นผู้ทราบชัดเจนเกี่ยวกับเหตุกับผลในใจของเราถ้าสติไม่กล้าปัญญาไม่แข็งอไม่แข็งกล้าพอเราก็ไม่สามารถจะเห็นชัดเห็นเหตุผลชัดเจนเพียงพอมันเห็นแบบจางๆแบบลางๆน่ะคือเหตุผลไม่เพียงไม่พอในเมื่อไม่เพียงไม่พอเราก็เราก็เห็นแบบคัดค้านเดาๆการที่เราจะมาตัดสินใจพูดเด็ดขาดลงไปว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ พูดแบบคัดคาดเ ด, ดาเดานี่การศึกษาทำการปฏิบัติถึงทำจึงมาชัดเจนที่ใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงตรัสว่าสันทิติโกสันทิติโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองพึงเข้าไปรู้เองเข้าไปเห็นเองเข้าไปเข้าใจเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอยุสอนู่งภาวนาอย่างนี้ภาวนา่า ง, า ง, างนีน้แล้วจิตจะได้รับความสงบในขณะที่เราฟังจิตเราไม่สงบดอก ตอเมื่อเรามันตั้งใจตามท่านจิตอยู่กับอารมณ์คำว่าพุทโธคําเดียวเนี่ยจิตเราสงบนั่งสามสิบนาทีจิตอยู่กับพุทโธตลอดนี่คือจิตสงบแล้วสงบอยู่กับอารมณ์เดียวที่เราจับให้เขาอยู่สงบไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อละเอียดไปเรื่อยละเอียดเลยจนอิม่มอิ่มคําบริกรรมแล้วเขาก็ไม่ภาวนาพุทโธแล้วปล่อยคำพูดปล่อ ย, ป ล, อยททปล่อยคำว่าพุทโธปล่อยคําว่าพุทโธจิตมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันอิม่ม ใครทราบเราทราบคนอื่นทราบไม่ได้นอกจากคนมีปรัจิตปรัชจิตคําว่าปรัจิตคือคนที่รู้จักจิตผู้อื่นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมคขลานะสมัยเราก็หลวงตาทั้งเทพบ่อยๆหลวงปู่มั่นเนี่ยรู้ประจิตของคนอื่นเรียกว่าปรัจิตปรัจิตปรปรปรแปลว่าอื่นปรัจิตคือรู้จิตอื่น จิตอื่นที่ไม่ใช่จิตเราเน่ยรู้จิตอื่นดูไปเห็นเหมือนเหมือนตาเห็น เ, นเหมือนหูเราได้ยินเหมือนตาเราได้เห็นนอืมรักิตวิชาเนี่ยคือบรรลุวิชาบรรลุความรู้ที่รู้จิตรู้ว่าระจิตของคนอื่นหลวงปูมา่นเนี่ยพวกเรานึกคิดยังไงรู้หมดทะลุปุโปรหมดแต่ว่าจะทักท้วงไปทั้งหมดก็ไม่ได้จะทักท้วงเฉพาะสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ อันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งสหรบปราบคนดือ้อนะสระปราบคนดนนื้อพุทธเจ้าท่านก็มีไปดูยานของพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านทรงมีสัพพัญยุทธญาณคําว่าสัพพัญยุทธญาณคือมีญาณทุกสิ่งทุกอย่างรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างสัพพัญยุทธญาณสัพพะแปละว่าทั้งปวงรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดใส่อะไรก็รู้อนั้นกำหนดใส่อะไรก็รู้นั้นกําหนดใส่สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้น แต่ถ้าให้กําหนดรู้ท่านก็ไม่ทราบอา่เวลากําหนดรู้เนี่ทราบทันทีเหมือนอย่างพระองค์กําหนดกําหนดรู้พบพชาติของพระองค์เนี่ยย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติเป็นกลับเป็นแสนชาติเป็นกลับกับชาติรู้หมดว่าพระองค์เคยเกิดพบใดชาติใดเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนดีคนชั่วเป็นสัตว์สัตว์ตัวเล็กเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนะี่ยรู้หมดทราบหมดเข้าใจ ห, หมด พระองจ์กินได้ชื่อว่าสัพพยุทธญาณสัพพันยุทธญาณแต่ภาษาวอกในไม่ถึงพระองค์หรอกไม่ถึงพระองค์ถึงจะมีความรู้อยู่บ้างก็เป็นเป็นเป็น เ, นเอ ก, กเทศเป็นบางอย่างไม่รู้ทั้งหมดเหมือนพระองค์พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้โลกหมดตลอดทั้งสามไตรโลกธาตุกามโลกรู้ทุลุภุโงค์รู้ประโลกเกี่ยวกับโลกของฌาน ร, ร, ร, รู้ประชานี่รู้ทะลุปุโพรงหมดอรูปโลกรู้ทะลุปุโพรงหมดในจั ก, กรวาลนี้ก็ตามในหมื่นแสนโกดจั ก, กรวาลรู้หมดทะลุปุโ ป, ปรงหมดเพราะฉะนั้นความรู้ของพระองค์เนี่ยจึงมากเท่ากับใบประดูในปา่าแต่ว่าความรู้ทั้งหมดที่เอามาสอนพวกเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกบับใบประดูในมือเนี่คว้าไปข้าง ติดมือมาไม่กี่ใบนะนันและนี่ที่มาสอนพวกเราเลยอามาสอนนิดเดียวแค่นี้แหละแต่ความรู้ที่พระองค์ไม่ไม่เอามาสอ น, นมากมายเหมือนใบไม้ในป่านี่คือความสามารถของพระองค์สามารถด้วยบุญญาบารมีสังสมอบรมบารมีต้องเสียสละอย่างยว่ยิ่งทานก็ให้ทานอย่างยอดเยี่ยมทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมาถบารมีปัญญาก็ปัญญาบารมี ปัญญาปุบารมีปัญญาปรามิตาปารมีศีลบารมีศีลปุบารมีศีลปรมตาารมีมีอย่างยับอย่างกลงอย่างละเอียดบารมีทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นบารมีสิบารมีสิบไปไล่ดทานศีลเนคขมมะปัญญาวิยาขันติสัจจอาทิถานเมตตาเบคาไปไล่ดูบารมีสิบปารมีสบทัดคือบารมีสิบข้อนั่นแหละ แต่ท่านไปแยกออกอีกเป็นทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัาถบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอย่างการให้ทานธรรมดาข้าวน้ําโภชนาหารนี่ถือว่าเป็นทานบารมีทานอุปบารมีคือให้เลือดให้เลือดสละโลหิตเนี่ยเป็นทานอันนี้เป็นทานอุปบารมีมันเกี่ยวข้องกับมากายมาติ่ตายแล้วนะอุปบารมีกับปรมาถบารมี ปรมัดบา ร, รมีคือสลักชีวิตให้ชีวิตเป็นทานเนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อบา ร, รมีสามสิทัดเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยบุญบา ร, รมีของพระองค์เต็มเปี่ยมแล้วสัพพัุทะยานทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสัตว์มาทรรมาระสาวชิร์ดือ้อๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมมีพร้อมเกิดขึ้นพร้อมมีพร้อมพร้อมกับการได้บรรลุอาสวัคยายาน ในวันเพนเดือนหก น, นะอันนี้คือราศาสัดาท่านรู้ท่านเข้าใจคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นคำสอนที่มีระบบพระสูตรทุกๆพระสูตรที่พระองค์สอนมีระบบมีระเบียบอย่างถูกต้องนะสามารถเอาความจริงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ของชีวิตสัตว์มาบอกมาสอนได้อย่างตรงไปตรงมาถ้าเรายึดถือข้อปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนแล้วเนี่ย คนนั้นจะไม่ประสบความทุกข์ความยากความลำบากเช่นอย่างบางอย่างท่านสอนท่านสอนให้ให้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยท่านสอนให้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ในปัจจุบันอุทธานสัมปทาอุอากะสะระจำง่ายอุอากะส ะ, ะท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐีอุอากะสะหัวใจเศรษฐีถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยคนนั้นเป็นผู้สร้างเหตุ แห่งความเป็นเศรษฐีก็ว่าเศรษฐีคือคนมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ต้องการอะไรก็ได้หมดอุทานสัมมัธาคือความหมั่นขยันนี่เห็นไหมฟังเฉยเฉยไม่ได้ต้องทําคนขยันอุทานสมมัตธาอรักษสมมัาขยันคือขยันหาทรัพย์หายศหาเกียรติขยันหาทรัพย์คนที่ขี้เกียรตนี่หาอะไรไม่ได้ดอกหาทรัพย์หาอะไรไม่ได้ อุทานะสรรมธาเป็นคนต้องลุกขึ้นคำว่าลุกขึ้นในที่นี้หมายความว่าขยันหมั่นเพียรในการลุกขึ้นประกอบการประกอบงานอุทันฐานะสรรมธาอารักษะสมทาเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรู้จัก ร, รักษาไม่ควรเสียก็ไม่ควรเสียไม่ควรจับใจ่ายใช้สอยก็ไม่ควรจับใจ่ายใช้สอยควรเหลือให้มากๆทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นถึงจะเหลือจากนั้นแล้วพยายามหลีกเลี่ยงจากอบายมุกทั้งหลายทั้งปวง ไม่เป็นนักเลงผู้หญิงไม่เป็นนักเลงผู้ชายไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนไม่กินเหล้าไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุทํำลายทรัพย์ท่านจึงไม่คบการไม่คบคือการรักษาทรัพย์ของเราอยู่ได้ไม่ควรไม่จําเป็นต้องฟุ่มเฟือยก็ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ยังเป็นต้องฝืดเครืองเราก็ไม่ต้องฝืดเครืองใช้สอยอย่างสะดวกสบายถ้าเราใช้สอยมีซ้ำมากๆเราใช้สอยอย่างอย่างฝืดเครืองพระองค์ที่เจ้าทรงตําหนิเหมือนกันมัธยัติเกินไปจนเป็นเหตุเบียดเบียนตัวเองพระองค์ก็ทรงติเตียนเหมือนกันให้ใช้สอยพอดีพ ด, พดีกับความเป็นอยู่ของเราไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ไม่ให้ฝืดเครืองนักนะไม่ให้ฟุ่มเฟือย ไม่ให้ฟุ่มเฟือยแต่ไม่ให้ฝืดเคืองไม่ให้ฟืดไม่ให้ฝืดเคืองแล้วก็ไม่ให้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยคือของเหลือทักกินก็กินจนเหลือกินทิ้งทิ้คว่างคว่างถ้าใช้กนเหลือใช้เหลือสอยทิ้งทิ้งคว่างคว่างแบบนั้นถึงเรียกว่าฟุ่มเฟือยแล้วก็สิ่งจําเป็นไม่จําเป็นก็ไม่รู้แหละว่าแต่ใจชอบเนี่เอาหมดแบบนั้นถึงเรียกว่าฟุ่มเฟือยแต่เราเข้าใจหลัก อันนี้คือรู้จักรักษาทรัพย์เป็นอารักอารักษสัมปทาอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อารักษสัมป ท, ทารู้จักเก็บรักษาทรัพย์ไปทําอะไรได้มาก็าให้ให้มีส่วนเหลือถ้าไม่มีส่วนเหลือมันจะได้อะไรเพิ่มพูนมันไม่มีแหละได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปมันก็เหมือนกับสัตว์นั่นแหละเหมือนกับนกนั่นแหละวันวันหนึ่งก็ไปใส่ปากใส่ท้องแล้ว เต็มป่าเต็มท้องแล้ว ก, กลับมากลับมานอนรังเวันหลังอิม่มวันหลังหิวทําไงต้องบินไปอีกอิ่มเต็มเต็มเ ต, ต็มคอเต็มท้องแล้วก็บินกลับรังะวันหลังหิวบินไปอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือแต่นอกบางตัวมันฉลาดอะมันข้าไปมันอยากข้าวข้าวเม็ดข้าวไปทั้งรวงไปไปไว้กินไปแจกลูกมันกินไปแจกพ่อแจกแม่มันกิน มีในรายชดกในราชดกมีเนี่ยทีนี้ถ้าเราทําเหมือนนกเนี่ยไปทามากินได้มาวันนี้แล้วก็หมดไปได้มาวันนี้สิบหมดไปทั้งสิบอา้าววันหลังได้ไรใช้อ่ะทีนี้ไปไ ป, ไป ม, ามาเกิดวันใดวันหนึ่งเราป่ ว, ปวยอา้าวไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรกินแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรวยได้จะต้องมีรายเหลือ ได้มาสิบเออเหลือห้าโอเหลือครึ่งหนึ่งได้มาร้อยเหลือห้าสิบโอเหลือครึ่งหนึ่งรวยแน่แนอย่างนี้รวยบุทานสมัติอารักษส ม, กาามัติกาลยาณมิตรตาครอบมิตรที่ดีเพราะการครอบมิตรครอบมิตรที่ดีเนี่ยไม่ครบมิตรปลอกลอกไม่ครบมิตรดีแต่พูดไม่ครบมิตรประจบสอปลอไม่พบครบมิตรที่ เผาผลานทรัพย์ของเราเห็นแก่ตัวต้องคบมิตรที่มีน้ำใจคำว่ามีน้ำใจก็คือเขามีความรู้รู้วิชาการอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเหตุให้เราได้รับความสุขได้รับความเจริญเออเช่นอย่างทำอย่างนี้รวยช่วยแนะนำหมู่เผื่อหมู่จะได้รวยด้ว ย, ยนี่ น, นี่คือกัลยาณมิตรเออ ไปรักษาศีลดีเพราะการรักษาศีนั่นเป็นเหตุได้มาซึ่งบุญก็แนะนํามิตรเนี่ยมิตรแบบนี้ดีมิตรแนะนําชักชวนมาในทางที่ดีที่งามไปปฏิบัติธรรมดีเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุขัดเกลาริตนิสัยจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์เพื่อจิตจะได้รับความสุขความเจริญอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิรยานามิตรเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตร ท, ที่งามเป็นมิตรที่ดีงามสั อุอากะ ส, ะสะเลี้ยงชีวิตอย่างเสมอต้นเสมอปลายสมชีวิตตาแปว่าเลี้ยงชีวิตอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาให้ฟุ่มเฟือยนะมาให้ฝืดเครืองนะเนี่ยอุอากะสะัท่านจึงว่าเป็นหัวใจของเสียถี่หนึ่งขยันอุแปล ว, ว่าขยันอะอาแปล ว, ว่า นรกษสาสมบัตคือรักษาได้ทรัพย์มาแล้วก็รักษาแล้วก็คบมิตรที่ดีทั้งถ้าคบมิตรไม่ดีคบมิตรปอกลอกเดี๋ยวก็ปอกทรัพย์บละหมดมาแผลานรัพย์เราหมดแล้วก็เกลียดละช่างล ะ, ะเลิกเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วมาขอพึ่งพาอาศัยเราอะไรสรักอย่างเราไม่ให้พึ่งพาอาศัยก็เครียดละผิดใจกันแล้วนี่แสดงว่าคบเราก็เห็นแก่รัพย์เรา น, นั่นคือมิตรไม่ดีกาลยานมิตรติตามมิตรที่ดีที่ดีงามคือมิตรมิตรเนะประโยชน์น่ะอันนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้อันนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้อันนี้เป็นประโยชน์นี้อันนี้เป็นโทษอย่างนี้อันนี้เป็นโทษอย่างนี้อันนี้เป็นโทษอย่างนี้เห็นละให้เว้นอันนี้เป็นคุณอย่างนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ประพฤทธปฏิบัติตามนี้นี่ทันติกรรมกาลยาณมิตรมิตรที่ไม่เห็นแก่ตัวถึงคราวเราตกทุกข์ได้ยากมิตรพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพร้อมที่จะออกปากแทนเราได้ พร้อมที่จะออกเงินออกทองออกทรัพย์แทนเราได้นี่เป็นกิยานมิตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเมื่อเราครบมิตรดีแล้วก็เป็นเหตุให้ทรัพย์เราเหลือแล้วก็ใช้เลี้ยงชีวิตอย่างพอดีพองามสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตพอดีพองามเสมอต้นเสมอปลายคำว่ า, าสมะสมะชีวิตาปแปล ว, ว่าเลี้ยงชีวิตอย่างเสมอต้นเสมอปลายคือไม่ให้มันฟุ่มเฟือยนะไม่ให้มันฟืดเครืองนะนะ ใช้ซับอย่างพอดีพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่ให้ชีวิตเราฝืดเคืองใช้สอยอย่างพอดีพอดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฝืดเคืองอันนี้เป็นหัวใจเศรษฐีอันนี้คำสอนในศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่ได้ศึกษาแต่คำสอนของพระศ า, ศาสดาของเราน่มีเหตุมีผลมีปัจจัยคือทุกอย่างที่ท่านสอนเนี่ยเราจะต้องทาเอาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านปฏิการทา ทำไมจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จที่การทำเพราะถ้าเราทำเนี่ยพอเราลงมือทำปับ๊บอันนั้นแหละคือเราลงมือสร้างเหตุนะถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็เท่กว่าเราไม่ได้สร้างเหตุเมื่อเราไม่ได้สร้างเหตุผลจะเกิดขึ้นได้ไ้ยเป็นไปไม่ได้ที่ผลจะเกิดขึ้นเมื่อเราสร้างเหตุปับ๊บเหตุนี้เป็นเหตุที่ดีที่งามที่ถูกต้องเป็นเหตุที่ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติ ในเมื่อเราเราทำปับ๊บกลายเป็นว่าเราสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างเหตุแล้วผลต้องตามมาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสรุปลงแล้วคําสอนของพระศาสดา8ปดหมสี่พันพระธรรมคันธ์สรุปลงในหลักเหตุกับผลเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้อธรรมะพื้นพื้นจนจนถึงข้อธรรมะสูงสุดวิมุตต์หลุดพ้นเกี่ยวกับเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องพระนิพพาน สอนเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลเท่านั้นหลักเบื้องสูงหลักเบื้องสูงทั้งสอนสอนเรื่องเหตุกับผลเราไปดูในหลักของอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่ข้อนั้นแหละเป็นหลักธรรมะที่เกี่ยวกับเหตุกับผลอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอ่นเช่น อ, อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรตเนี่ยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนะไหม ทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุรวมรวมลงไปแล้วทำที่เป็นเหตุก็คือสมุทัยเป็นเหตุมรรคเป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลส มรรคกปฏิปทาเนะี่ยทั้งแปดข้อเนะ่ะเป็นเหตุให้เกิดธรรมสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมรรคกปฏิปทาทั้งแปดข้อนะ่ะเป็นเหตุให้เกิดธรรมเมื่อเราปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทั้งแปดข้อนั้นแหละเป็นอันต้องหวังได้อ่าเป็นอันต้องหวังได้พระโสดาบันบุคคลพระสกทามาทาคามีบุคคลพระ อนาคามีบุคคลพระอรหันต์บุคคลเมื่อเราปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่ได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่พื้นพื้นไปจนสูงสุดวมุติพระนิพพานอันนี้เป็นเหตุผลในทางที่ดีที่งามเหตุผลในทางที่ไม่ดีก็คือสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอันนี้เป็นเหตุเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งก่องทุกข ร่างกายของเราเนี่เป็นกองทุกเป็นตัวทุกนะร่างกายของเรานี่จิตใจของเราที่ยังไม่ได้ขัดไม่ได้เปล่าเนี่ยเป็นตัวทุกเป็นกองทุกจิตใจบวกกับกิเลสนั่นแหละโดยเหตุที่ใจมีกิเลสน่ะท่านถึงเรียกว่าใจทุกโดยเหตุที่ใจมีกิเลสน่ะจึงเป็นเหตุให้ใต้อัตภาพในร่างกายเมื่อมีกิเลสในใจแล้วเราจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามที่กิเลสมันบงการมันบงการไว้อย่างไงมันบงการให้เรายึด จิงนุ้นให้ยึดสิ่งนี้เกาะสิงนุน่นเกาะสินี้การยึดคือปาฏิหาริปาฏิารคือการยึดยึดอย่างใดแล้วเราก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดได้พบได้พบชาติตามพบชาติละเอียดพบชาติหยาบพบชาติสูงอย่างใดก็ตามแต่ยึดอย่างใดก็ไปเกิดอย่างนั้นยึดอย่างใดก็ไปเกิดอย่างนั้นอะไรพายุดกิเลสพายุดกิเลสคืออะไรกิเลสคือสมุทยัยคำว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกตัวทุกแท้เนี่ยเป็นผลนี่ ธรรมะแปดหมื่นสี่พัพระธรรมขันธ์ของพระองค์ตั้งแต่ธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์กับปรมาถประโยชน์ท่านท่านท่านสอนละเอียดละอ่อ<ห>ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์พระองค์ก็สอนละเอียดลอเหมือนอย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยทำยังไงจะได้เป็นเสด็จที ท่านบอกท่านสอนไปแล้วหนึ่งให้รู้จักขยันหาทรัพย์หามาได้แล้วให้เก็บหอมประพิบเอาไว้รู้จักรักษาแล้วสองคบมิตทีด่ดีงามสามใช้จ่ายทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ชีวิตร่างกายของเราหนึ่งฟืดเคืองแต่ไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายมีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์นอกจากท่านสอนประโยชน์ในปัจจุบันแล้วท่านสอนอสัมปรายกทาประโยชน์คือประโยชน์ในพบหน้า สมมุติเรายังปฏิบัติรับปฏิบัติทําในอัตภาพนี้เรายังไม่ได้วิมุตต์หลุดพ้นเป็นพระอรหันตบุคคลเราจะต้องไปเกิดอีกเนี่ยท่านก็สอนให้เราทําเผื่อเราจะได้ความสุขในในสัมปรายภพคือพบข้างหน้าชีวิตข้างหน้าชีวิตข้างหน้า ค, คือพบข้างหน้าที่เราจะต้องไปเกิดนั่นแหละอะท่านสอนให้เราสักษาศินศินสุตะจากขะปัญญา ท่านสอนให้มีศีลให้มีจาคะะมีศีลมีจาคะะมีสุตตะมีปัญญาอันนี้ในเมื่อเราให้ทานทานนั้นก็มีผลมีอานิสงส์เราไปเกิดในภพชาตินั้นๆผลทานอันนี้ก็ตามอื้ออ â นวยให้เราประสบผล ไม่ชีวิตของเราฝืดเคืองมีพออยู่มีพอกินมีพอใช้มีพอสอยโดยเหตุด้วยผลที่ที่เราตั้งใจให้ทานนี่ทานมีผลมีอ น, นิสงส์ในอัตภาพนี้กำเนิดความสุขความเจริญให้เราเราไปเกิดในพบหน้าอัตภาพหน้าผลทางก็ตามอื้ออํานวยให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ม่สอยเป็นไปในวัฏสงสารอย่างคล่องตัวไม่ฝืดเครืองไม่ฝืดเครืองเหมือนกับว่ามีเจอร์บี หล่อลื่นให้ชีวิตเราไปอย่างคล่องตัวมีการมีทานมีศีลมีทานมีศีลมีศีลก็คือให้สร้ให้รักษาศีลเพราะศีลนี้ทําให้เราไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่ลักทรัพย์เราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่ประพฤติผิดลูกเขามีอเขาเนี่ยเราก็ไม่มีเวรเราไม่มีภัยเราไม่พูดโกหกเนี่ย เราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่กินเหล้ามันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนตนเองนี่แค่สินห้านะถ้าสินแปะก็ละเอียดลึกเข้าไปอีกล่ะไม่ทาให้เราหลงในการประดับประดาตัวเองไม่ทาให้เราหลงเนร้องรำขับร้องประคมดนตรีไม่ทาให้เราหลงนั่งนอนในที่นั่งที่นอนฝูงใหญ่ภายในยับยนุ่นและสมัมฤทอืม อันนี้คือคือสินแปละเอียดเข้าไปอีกสินสิบของแนรค่ะละเอียดเข้าไปอีกสินสองร้อยี่สิบเจ็ดของพระละเอียดเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องขัดเปลาจริตนิสัยในจิตใจของเราให้ละเอียดละอ่เพื่อมรรคเพื่อผลทั้งนั้นเมื่อเรามีศินเนี่ยก็ทําให้เราเป็นผู้มีอายุมีอายุดีงามไม่มีเวรไม่มีภัยที่จะต้องมาตัดรอนเหมือนอย่างคนที่ว่าตายเร็วตายง่ายตายไวตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยนี่ท่านบอกว่า เพราะเคยเบียดเบียนสัตว์เคยฆ่าสัตว์คนที่ชอบถูกมีทรัพย์มีอะไรก็เก็บไม่อยู่อะไรไม่อยู่ชอบถูกเขาขโมยเขาปล้นเขาจี้เขาอะไร่ต่ออะไรเนี่ยเพราะเคยเบียดเบียนเขาเคยประพฤติผิ ด, ผ ด, ผดลูกเขามีเขาเนี่ยพอเรามีลูกมีเมียเราก็มาล่วงละเมิดเราเหมือนกันมีเวนมีภยัยเราก็หกเขาเขาก็ก็หกเราเรากินเหล้า พอเรากินเหล้าเหล้ามันไปทําลายอัตภาพร่างกายก็เป็นการบั่นทอนปัญญาเป็นการบั่นทอนปัญญาทําให้เราโง่ทําให้เราไม่ฉลาดเกิดมางอะงะงะไม่สมประกอบมีสติน้อยนิดมีปัญญาน้อยนิดอะไรไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างที่คนเขาเรียกว่าคนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเงะงะง ะ, ง ะ, งะเกิดมาไม่สมประกอบเนื่องจากว่าเรามาทําลายตัวเองตั้งแต่อัตภาพนี้คือชอบกินเหล้าเป็นการเบียดเบียนตนเอง เมื่อเรามีศีลแล้วสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้บริสุทธิ์แล้วจะทําให้เราไปเกิดไปเกิดในภพภูมิที่ดีท่านบอกว่าศีเลนะสุกติงงสุกติ้งยันติเราไปสุ่สุกติสัมปรายภพโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลศีเลนะโพกับสมบัตมีโภคะได้ก็เพราะศีลคือโพคะเรามันเหลือคําว่าโพคะคือของใช้ของสอยปัจจัยศีนั่นแหลท ะ, ท ะ, ท ะ, ทะคุริตันเรียกโพคะปัจจัยศีจะเหลือได้ ต้องให้เรามีสินเช่นอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพติผิดใ in นกรรมฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่ลักของเขาถ้าเราเป็นลักของเขาเดี๋ยวเขาจับได้เราจะต้องเสียเงินเสียทองอเป็นลักของเขาเขาจับได้ก็เสียเงินเสียทองเป็นพระพฤติผิดลูกเมียเข า, า, เา Og, ทะเลาะเบาะแว้งกันถูกปรับถูกอะไรสารพัดเสียเงินเสียทองที่เห็นง่าย ชัดที่สุดก็คือกินเหล้าเนี่ยเสียเงินเสียทองกินเหล้านี่หมดเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียทรัพย์ท่านบอกหนึ่งเสียทรัพย์สองเกิดโรคสามบันทอนปัญญาสี่กอ่อการทะเลาะวิวาตอันนี้ทีนี้ในเมื่อเราไม่เราไม่กินแล้วก็เป็นเหตุให้โผะเรามีเราเหลือสีเลยนะโผะกัาสามปาทาชีเลยนะนิพพุติงรังติจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะอาศัยสิน ศีลท่านจึงเปรียบเสมือนบันไดเพื่อไปสวรรค์ศีลนี่นะเป็นบันไดเพื่อไปสวรรค์อย่างหนึ่งเป็นบันไดเพื่อให้ทรัพย์เหลือหนึ่งเป็นบันไดเพื่อไปนิพพานหนึ่งนี่ท่านสอนให้เรารู้จักให้ทานท่านสอนให้เรารู้จักรักษาศีลเส็จแล้วท่านสอนให้เราจาฆะจาฆะปัญญาคําว่าจาฆะคือคือเสียสละคําว่าเสียสละนี่คือเริ่มรู้จักรักษาอารมณ์แล้วละ เสียสละอารมณ์ที่เป็นค่าศึกเช่อนอย่างอารมณ์ที่เป็นค่าศึกแห่งความโกรธแห่งความเครียดอารมณ์ใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาบกหมก ok, ม, ok มุ่นอยู่ในหัวใจของเราท่านให้เสียสละจาคะจาคะคือเสียสละเสียสละอารมณ์ต่างๆา น, นั้นอารมณ์เพื่อความรักก็ตามท่านให้เสียสละอารมณ์เพื่อความชังก็ตามท่านให้เสียสละอเพราะการเสียสละเนี่ยเป็นการทําเพื่อเกิดผลที่ใจ ทำให้ใจเราของเราได้รับความสงบรวมไปแล้วคือเป็นเหตุให้ให้เราเกิดสมาธิเสียสละอารมณ์ที่เป็นกามฉันทะพยาปาทะทีนะมิทะอุทจกักกุกุจักวิจิกิจฉาเสียสละนิวรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราตั้งใจภาวนาก็คือเราตั้งใจเสียสละนิวรณ์การตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธกุทโธคือตั้งใจเสียสละนิวรณ์อันนี้เราน้อมมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติ นิวรณ์ห้าคืออะไรนิวรณ์ห้ามันกั้นจิตของเราไม่ให้ได้รับความสงบมีกามานันทะนึกเรื่องกาลหลวจิตเรานึ้เรื่องกามเลยจิตเราสงบไม่ได้หรอกเรื่องกามนึกถึงผู้ชายคนนึงนึกถึงผู้หญิงคนนี้จิตของเราไม่ได้รับความสงบถ้าเราไม่มีสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยถูกกิเลยมันลากไปถึงไหนก็นไม่รู้แหละเพรเรามารู้สึกเนื้รู้สึกตัวเหลือแต่กระดูกมันเอาไปกินหมดแล้วออื ไปทําอะไรจนชิบหายวายปวงหมดแล้วไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวคือมันลาบไปท่านจึงให้เสียสละอันนี้เสียสละยังไงพรกรรมพุทธโทธพุทโธพุทโ ธ, ทธเสียสละให้มันเกิดมันมีกาฉันทะเสียสละพยายบาทรือเครียดแค้นจริงชังคนนั้นคนนี้เสียสละอเสียสละความง่วงเาหงาเหงานอนไม่หลับภาวนาไม่หลับอืเสียสละธระมะระวังเอาไว้ ระมัดระวังเอาไว้มาให้หลับเพราะถ้าภาวนาหลับภาวนาชั่วระยะนิดเดียวหลับก็ถือว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่ใจมากทีเดียวเราพยายามจับดูไอ้ตวัวแวบเดียวที่มันพาเราหลงละหลงละเคลิ้มหลับเข้าไปหลงละเคลิ้มหลับเข้าไปเราพยายามจับตรงนั้นตัววิชาตัวมันเท่ากับเส้นผมผมบางภูเขาเนะ่ะมันมาบดบางคําว่าพุโทโธของเรานะ่ะ ยับจับตรงนั้นแหละอท่านายเสียสละเสียสละคือจาคะเสียสละค่าสึกแห่งความแก่ความจริงใจคือสิ่งเหนี้แหละเป็นค่าสึกแก่ความจริงใจเสียสละอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดอารมณ์เกลียดชังแล้วก็มีเมตตาแทนมีกรุณามีมุติตามีอุเบกขาเข้ามาแทนอันนี้เมื่อเราประกอบตามนี้แล้ว มันเป็นเหตุให้เราได้ไปสวรรค์จากะแล้วก็ปัญญาที่สําคัญที่สุดทั้งทานทั้งศีลทั้งจากกะเนี่ยอาศัยว่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละมองเห็นผลเห็นอ น, นิสง์เเพราะฉะนั้นปัญญาพื้ น, พ, นพื้นตัวนี้แหละทําให้เรามองเห็นว่าเออการให้ทานมีผลมีอ น, นิสง์การรักษาศีลก็มีผลมีอ น, นิสง์การตั้งใจเสียสละทําให้จิตได้รับความสงบเสียสละอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราฟุ้งซ่าน จะต้องเป็นผู้มีปัญญาเท่านะั้นมองเห็นเพราะฉะนั้นปัญญานะี่ยมีผลตั้งแต่พื้นพื้นในปัจจุบันพื้ น, พ, นพื้นไปจนถึงพบข้างหน้าพื้ น, พ, นพื้นไปจนตลอดมากผลนิพพานสูงสุดถึงวิมุตต์พระนิพพานนี่เป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้นอันนี้ถ้าใครประกอบพร้อมทั้งสี่อย่างนั้นะทานศีลจาคะปัญญาแล้วขนนั้นจะต้องได้ประสบสุกติในสัมปรายภพคือพบเบื้องหน้าทีนี้ท่านพูดถึงประโยชน์อีกอันหนึ่ง ต้อเรียกว่าปรมาทัยประโยชน์ป ร, ปรมาทัยประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพาน น, นี่พุทธยนิพจนละเอียดเราท่านสอนตั้งเรื่องสมัตแต่ในขณะเดียวกันเวลาเรามาถือเป็นข้อปฏิบัติเราก็ให้ทานไปพร้อมเรารักษาศีลไปพร้อมแล้วเราก็ภาวนาสมัตไปพร้อมวิปัสสนาไปพร้อมประกอบไปให้ครบวงจร ก็จะเป็นเหตุให้การเสริมสร้างบารมีของเราเนี่ยเต็มตื้นเขินได้อย่างรวดเร็วนี่คือการเขามาส่งเส้นทางอันนี้คือธรรมะคำสอนของพระศาสดาของเราเนี่ยงามในเบื้องต้นเบื้องต้นของประมัญญาคือศีลงามในถ้ำกลางคือสมาธิงามในเบื้องปลายคือมรรคผลนิพพานคือปัญญาอะอาทิกรยานานะ มัตเชคกัลยานังปริโยสานกัลยานังปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นปริโยสานปริโยสานคือเป็นที่สุดเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานอีกพุติญาท่านทรงสอนสอนทุกแง่มุมของชีวิตของเราชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยประสบความทุกข์ยากความลําบากเนี่ยเราไม่ต้องการถ้าประสบความสุขความเจริญเราต้องการ พระองค์สอนเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในประโยชน์ในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในภพหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเป็นธรรมะที่สอนละเอียดละออไม่มีขาดตกบกพร่องสวยงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดสอนยังมีระบบสอนยังมีระเบียบสอน ยังสามารถเ ร, รมามาไขครวนตึกตรองและปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามพระองค์ได้เป็นไปตามนั้นได้จริงๆริงเหมือนอย่างคุณของพระพุทธเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์สมาสัมพุทธโธเป็นพุทธสรู้ชอบเองวิชาเจรณนะเป็นพูดถึงพร้อมโดยวิชาและเจรณนะคือพระองค์รู้หมดและพระองค์ปฏิบัติตามที่พระองค์ได้รู้หมด ท่พร้อมด้วยความรู้เป็นผู้ไปดีไปสู่สุคติท่านไปที่ไหนดีทั้งนั้นไม่มีไปไม่ดีแม้แต่ท่านไปในที่ที่เขาหมายไว้เพื่อให้พระองค์ไม่ดีกับพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ยังไปดีอันนี้ถ้าเราเคยฟังนิทานเรื่องอะไรเรื่องอะไรเลยไอจิ ต, ตะคุดกับอะไรเนี่ยที่เป็นลูกสิษธิ์เขานิครอนกับเป็นลูกสิทธิ์ของผู้ติจ้าเนี่ยเขาเขาเล่นแง่กันเนี่ย ใ น, น, นในนั้นมีในธรรมบทมีแนหะ่ะในนั้นมีคือทีแรกทีแรกทีแรกทางนู้นนิมนต์ทางนู้นเอทางฝ่ายเราเชิญเชิญพวกนี้คร่มาเชิญพวกนี้ครน่ครนมาทีนี้เป็นเหตุให้เขาได้รับความอับอายกลับเข้าไปอตอนหลังมา ไอ้ลูกศิษย์ของนิครนเนี่ยเขาเชิญทางนี้ไปบ้างแต่ในขณะที่เขาเชิญไปเนี่ยเขาวางแผนว่าจะให้พุทธเจ้าเนี่ยไปตกหลุมหลุมฐานเพลิงเนี่ยท่นี้เป็นเหตเป็นเหตุเขาต้องการให้พุทธเจ้าไปตกหลุมฐานเพลิงอันนี้เราก็ดูนานนานาเลเราลืมหมดแล้วเรื่องเนี่ยคือไอ้อะไรนะอะไรอะไรจิตตคุตหรือจิตะอะไรเนี่ยอะ ในในระหว่าที่เขานิมนต์พระศาสดาไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาไปเอาตุ่มเ ป, ปล่าๆมาเนี่ยเขาไปเอาตุ่มเ ป, ปล่าๆมาไม่รู้ต้องกี่สิบตุ่มแหละอ่ารู้ต้องกี่สิบตุ่มแหละเขาก็ไปเอาเม็ดข้าวไปติดไว้ตามปากตามปากตามปาก ต, าากตุ่มนินดๆเท่านั้นแหละเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นตุ่มสลับใส่พัดพัดของพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกห้าร้อยอ่ะนะอ่เขาไปติดไว้แล้วก็ปิดไว้ ปิดไว้ทีนี้ไอ้หนทางที่ก็จะเดินผ่านเข้าไปไ ป, ไปที่ไปสู่ที่นั่งที่ประทับเนี่ยนะเขาก็ทําเป็นร่องเอาไว้เสจแล้วก็เขาก็เอาไม้ตะ เ, เทียนมาเผาเป็นฐานแล้วก็กลอบเอาไว้อพอพระพ อ, องค์เดินผ่านหรือประศกสาวพกเดินผ่านไปปั๊บนี่งมันก็จะหักลงไปแล้วก็ถูกหลุมฐานเพลงเผาอยู่ตรงนั้นนะทีนี้ในใจเขาคิดว่าโอ้พระศาสดา พระศาสดาทีแรกเขาก็บอกเกาก็บอกว่าเขาก็บอกให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเขบอกว่าตอนนี้พัดอะไรก็พร้อมหมดแล้วนะในมลเชิญพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกมามาได้เลยพุทธเจ้าท่านรู้ท่านพิจารณ์รู้หมดแล้วแหละว่าเขาทําอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วท่า น, นจะแก้ยังไงบ้างแก้ยังไงบ้างาท่านรู้ทะลุโปร่งหมดแล้วทีนี้ไอ้องค์เปล่าที่ไม่มีอาหารเลยเนะีนะ่ะพอเวลาพระองค์เสด็จไปนี ไปรูอาหารมาจากไหนเต็มไปหมดทั้งองค์มีกี่องค์เต็มไปหมดอาหารสลับเรียงระส์ะมีอาหารเต็มไปหมดเลยทีนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็นสเสด็จเสด็จผ่านหลุมฐานเพลิงไปเนี่ยพอมาถึงหลุมฐานเพลิงมาปั๊บนี่ยมีดอกบัวมักใหญ่อะไรพุ่นขึ้นมาน่ะพระองค้าป๊ปับป๊บปับ๊ปไปบ น, บนดอกบัวนั่นแหละที่ไพวกนั้นก็เห็นว่าโอ๊ยเกิดตะลึงเลยตะลึง ง ง, งเงินแหละที่นี่เห็นความอัศจรรย์เห็นทริปเห็นเดชของพระศ า, าสดาแหละโอ้ยพระองค์มาแล้วโอ้ยในหมอไม่มีอะไรเลยในในโอ่ไม่มีอะไรเลยโอ่งประหลาดเขามากกะซิบบอกไอหมูเพื่อนด้วยกันคือเพื่อนสองคนไอคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของนิครนไอคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเขาแกล้งกันนะ่ะคนละครั้งแต่เวลาเขาาแกล้งพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็ทําให้เป็นเรื่องจริงไปหมดเนี่ย อันนี้เราอธิบายเพื่อประกอบกับที่เรี ย, รยกว่าสุคโตสุคโตท่านไปที่ไหนที่นั่นดีดีทั้งนั้นเลยนี่บุญญาบา ร, รมีของพระองค์ไปท่านองค์ก็ไปเทศอาหารทั้งหลายท่านองค์ก็เลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์เต็มไปหมดอนะ่ะทั้งทั้งที่องค์ประหลาดตุ่มปเปล่าเนะี่ยไม่รู้อาหารมาอย่างไหนแหละเต็มไปหมดนะแล้วที่จะตกหลุมทานเพลิงก็ไม่มีอะ่ะพระองค์ทําได้หมดนี่สุคโ ต, โตแล้วก็รู้แจ้งโลกโลกเวทูรู้แจ้งโลก ไม่ว่าจะเป็นกรมโลกรูปรโลกอารมณ์โลกนะ่ยรู้กี่โลกรู้กี่โลกกัธาตุรู้กี่จักรวาลหลวงพ่อรู้หมดอย่างที่เรียกว่าสัพพัญญูนะอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบรุษไม่มีใครฝึกได้ยิ่งกว่าพระองค์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับสารถที่ฝึกมาก้า อ, อนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบรุษฝึกยังไงฝึกบรุษ ก็คือรู้จิตใจรู้จิตใจรู้ปัญหาในใจของเขาแล้วจึงฝึกเขาเหมือนกับหมอยาที่รู้จักว่าเออคนนี้เป็นไรปวดหลังปวดเอวเป็นไอเป็นปวดหัวปวดท้องปวดไส้ปวดอะไรก็รู้หมดว่าเอออันนี้แก่โดยอนี้อันนี้แก่โดยานี้ น, นี้แก่โดยยานี้ยานี้พุทธเจ้ารู้หมดเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นโลกเ อ, อเป็นเป็นสารถีที่ฝึกบรุษ ไม่มีใครที่จะฝึกบรรลุได้ยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเป็นผู้สอนให้พระสาวกเนี่ยมารูทำตามได้เหมือนอย่างกันแรกที่พระองค์ไปสอนสอนใครพระองค์ไปสอนกันแรก mm. เทศกันแรกของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรสอนใครที่ไหน mm. ธรรมจักกับปวัตนสูตรทรงแสดงกับปัญจวัคคีทั้งห้าที่ปาอิสิปัฒนะมริกกทายวัน เมืองพระราศี น, นี่หลังจากแสดงแก่ปัญญวัคคีทั้งห้าแล้วพระัญญาโกรัญญาได้เป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมคําว่บายดวงตาเห็นธรรมก็คือเป็นไปจากพยานั้นแหละฟังธรรมของพระองค์แล้วบรรลุธรรมตามพระองค์ได้เนี่ยบรรลุธรรมตามพระองค์ได้นี่คือฝึกนั่นแหละก่อนที่จะสอนก็รู้แล้วแหละจิตใจระดับนี้อยู่ระดับไหนระดับไหนเนก็สอนให้หมดก็เหมือนอย่างที่สอนพระ จุลบรรทมกนันแหะสอนสอ น, ร น, น, นพระจุลบันทมเน่ะพระจุลบันทมเนี่ยพี่ชายเอ่ยหมูเพื่อนเอ่ยสอนมาตลอดภาษาไม่ได้อะไรแล้วก็จะจะห น, นีไปศึกอ่าพระจุลบัรทมเน่ะพี่ชายเลยทรมานเนี่ยเขามีนิมนต์ไปที่บ้านนะ่ะพี่ชายปล่อยไว้คนเดียวน้องชายนั่นแหละเพระสอนคาถาคาถาเดียวอ่ะตลอดภาษาจําไม่ได้สองแถวอ่ะจำไม่ได้น้องชายเนี่ยปุ๊บมากอ่า พอตอนเช้ามาออกจากออกจากวัดไปแล้วจะกลับไปบ้านไว้จะไปศึกนะอยู่ระปนทกน่ะแต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยเขาไปที่บ้านของโกของชีวหมอชีวศรมาราพัฒนมีมรรคชันที่บ้านแต่เหลือเหลือน้องชายคนเดียวเหลือน้องชายคนเดียวทีนี้รุจิจารย์ทรงทราบลงก็เลยไปดักไปดักก่อนที่จะออกจากวัดไปเนี่ย เธอจะไปไหนพี่ชายทรมานนี้ข้าพระองค์จะไปสึกอ้าวเธอไม่ได้บวชเพื่ออุทิศพี่ชายเธอเนี่ยนะ่ะเธอบวชอุทิศเพื่อเราเนี่ยมานี่พระเจ้ากระสงเรียกกราดเรียกไปแล้วก็พระองค์นิมิตเนรมิตพระขาวมาเนรมิตพระขาวมาพื้นหนึ่งให้บริกรรมเธอไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องท่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยเธอทํางานแค่นี้ตรงนี้แค่นี้ เอาไปมือเอามือลูบๆแล้วก็ว่าพระโชคาราังพระโชคราังพระโชครานังแล้วก็ดูผ้าไปเรื่อยโลกนี่คือพระ อ, องค์รู้แล้วว่าจิตนิสัยอย่างนี้ต้องแก่อย่างนี้แก่อย่างนี้ถ้าเป็นหมอกรหมอชั้นเยี่ยมรู้หมดรู้สมุดสมุดฐานของของโรคทั้งหมดพระ อ, องรู้สมุดสมุดฐานของกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตของพร ะ, ะจุลบันทกน่ละ ทีนี้พอประทานผ้าเอาไปบริกรรมบริกรรมไปบริกรรมมือลูบไปลูบไปลูบไปพอมือมันสกปรกลูบไปลูบไปลูบไปกะขาวเมื่อก่อนเนี่ขาวผ่องเลยนะผ้านั้นนะพอมือลูบไปลูบไปลูบไปก็เอ๊ะรู้สึกว่าเศร้าหมองผ้ามันเศร้าหมองมันดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นเอ๊แล้วเกิดปัญญาเกิดปัญญาโอ้นี่เมื่อก่อนผ้านี่ขาวเนี่ยพราะมือของเราลูบไปลูบไปทําไมันถึงดำเอ๊ะมือของเราเนี่สกปรก มือของเราสกปกรกเลยระลึกได้ว่ามือในสกปรกได้ปฏิกูลสัญญาได้ปฏิกูลสัญญาเนี่ยเพราะได้ปฏิกูลสัญญาในขณะเดียวกันนะพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งดูด้วยพระญาณนั่นแหละจ้องดูตลอดนั่นแหละเห็นว่าเออจิตใจถึงขนาดนี้แล้วระดับนี้แล้วรู้ตัวถึงขนาดนี้แล้วพระองค์ก็มาสอนวิปัสสนาให้หลังจากสอนวิปัสสนาให้ให้พิจารณาถึงหลักอันนี้จังทุกขังอนันตา แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยวิชาพลิกจิตโอ้คนคนเดียวเนี่ยแปลงให้เป็นหนึ่งพันคนองค์องค์งเดียวแปลงให้เป็นหนึ่งพันองค์ปุถุชนรู้แล้วว่าเออจุลบันถงอยู่ที่นู่นอยู่ที่วัดคนเดียวแต่ตอนนี้เขาได้บรรลุธรรมแล้วก็เลยเออพระพระสงฆ์ยังมายังไม่หมดยังมีอยู่ที่วัดอยู่ไปตามให้คนไปตามพอไปตามก็รู้ว่าพระจุลบันถกไหนอยู่ก็เลย ก็เลยไปตามหาพระจุลบันถกอไปตามหาพระจุลบันถกพอไปถามออกชื่อจุลบันถกพระทั้งพันอง์เนี่ยต่างคนต่างทําอะไรไม่เหมือนกันนะบางองเดินบางองยืนบางองปัดตาบางองคเช็ดบางอง์ถูบางองอะไรอยู่นั่นแหละทีนี้พอเขาไปเรียกพระจุลปันทกบุลปันถกจุลบันถกทั้งหมดเลยทั้งพันองในวัดนั่นอ่ะโอ้ไม่รู้จะเป็นองไหนจุลบันถกเลยงงคนที่ไปตามองเลยกลับคืนมา ศาสดาเลยสอนไปแนะไป อ, อง์ไหนองคไหนออกชื่อว่าจุลบันทกให้ไปจับมืองนั้นองไหนออกชื่อจุลบันทะให้ไปจับมืองนั้นพ อ, พอไปจับมือพอไปจับมือของนั้นนอกนั้นก็หายหมดหน้าหนึ่งพันองเนี่ยเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญญาที่เกิดขึยายาน้นพร้อมกับอาสวัคยญาณเกิดขึ้นพร้อมกับอาหัฐพลนั่นแหละเห็นไหม รู้ใจเจ้ากันรู้เป็นสารถีแห่งบารุดนี่เราอธิบายประกอบคําว่าสารถีแห่งบารุษคนที่ฝึกม้ากเก่งเขาเรียกว่านายสารถีสารถีสารถีแปลว่าม้าสารถีแห่งบารุษคือพระาศาสดาของเราเนี่ยเป็นผู้ฝึกบารุษไม่มีใครที่จะฝึกได้ยิ่งกว่าศรัทธาเป็นพระาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคําว่ า, าศาสดาแปลว่าผู้บอกผู้สอน ศรัทธาแปลว่าผู้บอกผู้สอนศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นผู้สามารถบอกสอนมนุษย์ได้กับบอกสอนเทวดาได้แท้จริงเทวดาเขามนุษย์ทำมากกว่ามนุษย์เรานะมนุษย์ทำทีเนี่เป็นโกรธเป็นโกรธเป็นโกรธเป็นโกรธนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมนุษย์ทำมากกว่ามนุษย์เราลุทำเป็นกดโกรธ เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเป็นกฎโกรธมาอยู่สามารถมาอยู่บนกุฏินี้ได้ธาารรมะก็มาอยู่ด้วยกันได้ไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรากายหยาบเราเป็นโกรธนะมาขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้ได้เท่าไหร่สามร้อยเต็มแล้วเทวดาสามารถขึ้นมาบนนี้ทั้งหมดมาฟังธรรมได้ทั้งหมดมันฟังธรรมมนุษย์ทําได้เป็นกฎโกรธเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วทาไมสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ ทำไมจึงมีศาสนานน้นจึงมีจะศาสนานี้ทำไมพระองค์ไม่ไปเที่ยวสอนให้ทุกคนเน่ยมาลุกเป็นพระอรหันต์ให้หมดมันทำไม่ได้เพราะใครก็ตามที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเดิมใส่ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมของพระองค์ได้เหมือนอย่างอุปกอุปการชีวกรรนแหละไปถามพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเราเป็นสยามภูสยามภู คือเราเป็นเองเรามันลุกเองไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเนี่ยไม่เชื่อแล่วนะแหละแอบเล้นปิ้ น, นตาถุยน้ำลายแล้วก็เดินผ่านไปละอันนั้นคือไม่มีศรัทธาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอุปกาอุป ก, การชีวกเนะ่เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านเรียกว่าที่ท่านที่ท่านเรียกว่าประเภทว่าพวกปัททปรมะพวกนยะพวกประททประมะ พวกปะทะปรรมก็คือพวกไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของครูสิจ้านั่นเองเช่นอย่างพวกฤาษีชีพพวกนิครนเออย่างเงี้ยพวกกัสปะปะกุดกัจายนะ อ, อ, อ, อะไรมัคคิิโคสาระอะไรอะไรเนี่ยพวกครูทั้งหกเลยพวกสันชัยเวรัตบุตรเอยอะไรเอยเาไม่มีความเลื่อมใสศรถถัทธา แต่เขามีสติเหมือนเราเขามีปัญญาเหมือนเราเขาพร้อมที่จะทําเอาของเขาแต่เขาไม่เลื่อมใสศรัทธาที่จะประพฤติปฏบิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพวกเชดินพวกเชดินพระพุทธเจ้าท่านประทรงไปทรมานจนมรรลุธรรมทั้งหมด อ, อุรุเวลากระสปะนาทีกรสปะขยากสปะกับบริวารอีกหนึ่งพันเนี่ยโร่งไปสอนไปทรมานจนเขาเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ พ้อที่ตั้งใจรธประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระองค์ในที่สุดพระองค์ไปแสดงธรรมอาทิตตะปริยัยาสูตรบรรลุเป็นพระหารทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปไม่ได้ก็คือไม่ยินดีที่จะน้อมนําเอาข้อธรรมะของท่านมาประพฤติมาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคําว่าทําไมท่านสอนมนุษย์ได้ทําไมท่านไม่ไปเที่ยวสอนให้หมดถ้าเรามีคําว่าไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่พร้อมใจที่จะทําตามได้แล้วก็ ก็ถือว่าเราทอดสะพานเราเองพระองค์ก็ทอดสะพานเหมือนกันเพราะเขาหมดความเลื่อมใสเขาไม่มีความเลื่อมใสเขาไม่มีความศรัทธาไม่เคยสร้างบา ร, รมีร่วมพบร่วมชาติมาด้วยกันก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกศาสนาปรามเอยพวกอะไรถึงตกค้างอยู่มาจนถึงทุกวันนี้พวกศาสนาเชนพวกอะไรตรัวอะไรนีศา ส, สน า, าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงยังตกค้างอยู่ในโลกคือปฏิบัติ ไม่ถึงขั้นว่าให้จิตบริสุทธิ์ได้แม้แต่ศาสนาพราหมณ์เขาบอกว่าตายแล้วไปเกิดกับพระพรหมสามารถปฏิบัติรูปฌานได้อรูปฌานได้แต่ก็ไม่สามารถจะมีปัญญาเพื่อจแะแหวกตาข่ายกรงขังของกิเลสออกมาเป็นอิสระได้เหมือนอย่างพระองค์ก็เลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ในวัดัตตสงสารเป็นรองก้นของวัตตะสงสารอยู่อย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นวัตสังสารนี่จะมีสิ่งที่รองก้นอยู่อย่างนี้ไม่หมดไม่หมดไม่สิ้นนี่เป็นศาสดาของเทวดาและมุสทั้งหลายศรัทธาเรามนุษยสานังพุทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพัควาติพัควาเป็นผู้จำแนกคือท่านแสดงธรรมอย่างจำแนกแสดงธรรมอย่างจำแนกแจกจ่ายอ ไม่ใช่สอนสุ่มสอนเดาเพราะฉะนั้นเพราะการจำแนกแจกจ่ายของพระองค์นั่นแหละจึงทำให้ผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยดูไปแล้วเป็นระบบเป็นระเบียบสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติได้แล้วตรองให้เห็นตามเป็นจริงได้เช่นอยางท่านสอนเรื่องสุตตามียะปัญญาจินตามียปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตามยะปัญญาก็คือฝังปัญญากเกิดจากการฝังจินตาก็คืออมคิดความละเอียดออกมากกว่าสุตตะ อืทีนี้ภาวนาการที่จะภาวนามีปัญญาทะลุปูรลองเจาะคบคิดปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแต่ระยกระจายไปได้จะต้องมาภาวนาเมยปยัญญาภาวนาเมญปัญญาก็คือมาสมถะมาวิปัสสนานั่นแหละเพราะการมาสมถะการมาวิปัสสนานั้นนะเป็นการย้อนมาที่ใจของเรามาพิจารณาถึงที่ถึงที่เหตุที่ต้นที่ต่อสาเหตุต้นต่อเข้าไปจากจิตของเรานั้น กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่จิตเราต้องการเอากิเลสออกจากใจเราก็ต้องต้องมาย้อนมาที่จิตศึกษามาที่จิตเราถึงจะมารู้มาเข้าใจว่าอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นข้อปฏิบัติอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาทสอนอย่างมีระบบมีระเบียบทอนเารสอนอย่างจำแนกเช่น อ, อย่างมรรคยงแปดเนี่ยทั้งก็จำแนกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปด เมื่อสรุปลงแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลศีล ส, ส, สมาธิปัญญาสมาธิทิสมาธิทิสมาธิทิก็คือรู้ว่ารู้ว่าดำริดำริ ออกจากกามดําริในทางในความไม่พยาบาทเนี่ยการดําริออกจากกามมันก็เป็นเรื่องของมัด ก, การดําริไม่พยาบาทมันก็เป็นเรื่องของมัดอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะปัญญามาก่อนอสัมมาวายามุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมม า, าชิววาจาชอบ การงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้เป็นเรื่องของศีลเข้ามาชอบคข้ามาชอบก็คือตรงตรงศีลตรงธรรมสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสมาธิสัมมาวายโมก็คือเพียรชอบสัมมาสติก็คือก็คือก็คือสมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอื สัมมาสมาธิก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเอาสามข้อกลางเป็นเรื่องของศีลสามข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิสองข้อแรกเป็นเรื่องของปัญญาท่า น, นสอนยังมีระบบยังมีระเบียบเนี่ยพระไตรปิฎกสอนของพระศาสดาจริงงามในเบื้องต้นงามในทำกลางและงามในที่สุดสามารถทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยบรรลุธรรมรู้ตา ม, ตามเห็นตามพระองไปได้ และสิ่งต่างๆเหล่านี้ธรรมะต่าง ๆ, ตงๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่มาให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดจากตรงนี้ไปแล้วเราน่าเสียดายมากเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาและเราทอดทิ้งสิ่งที่ดีที่งามที่อัศจรรย์เป็นคาสอนของพระศาสดาเนี่ยเราน่าเสียดายสิ่งที่ภายเรา คิดไม่ได้สิ่งที่พายเราลืมคิดไม่ออกมีสิ่งนั้นก็คือความเพลิดเพลินในวัตถสงสารนี่แหละเราก็เพลิดเพลินในลาภเพลิดเพลินในยศเปลิดเพลินในเกียรติเพลิดเพลินในกรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราเพลิดเพลินเราก็ลืมลืมเนื้อลืมตัวพอลืมเนื้อลืมตัวแล้วลืมอะไรลืมศีลลืมธรรมพอลืมศีลลืมธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเริ่มใชศรัทธาและจะมาประพฤติปฏิบัติ เลยเป็นคนที่ล้าหลังด้วยเหตุที่ว่าลืมสินลืมธรรมดีไม่ดีเอาตัวไม่รอดเรามาสว่างอาจจะไปมืดก็ได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วเรามามืดก็ตามเราจะต้องไปสว่างความสุขความเจริญเราจะต้องประสบในปัจจุบันอย่างน้อยสัมปรายุคภพอย่างน้อยประมัทธ ป, ประโยชน์คือมรรคผลนิพพานต้องติดเนื้อติดตัวติดจิตจิตใจของเรา สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีได้ย่อมเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังเราอย่าประมาทอย่านิ่งนอนใจตั้งอกตั้งใจทำให้ประสบพบความสุขความเจริญอย่างที่พระศาสดาท่านทรงตรัสไว้ท่านทรงแสดงไว้อพอสมควรกเวลา